แล้วมาพูดถึงมรรคผลนจะเลือมหนูสามาถามพอกป็นเรื่องที่เกิดแล้วเจอจมนาแล้วหนูขึ้นม า, น า, นมามรู้มาที่ไหนอาการนี้ปยาล่าฟังนั่นเรื่องวันนคดีเรื่องผู้เวสดอดเมื่อสามหมื่นปีผ่านแ ล, แล้วการนั้นที่สมัยป่ายุมาพายเมื่อสมัยก่อนนี้โยทีเลสีทีไ ท, ทยมีมาก่อนพระพุทธเจ้า เขาเหินเดิอนอากาได้อายุถึงหมื่นหมื่นปีที่ป่ายุมธภนที่ประเทศเมียนมาติดต่อกับอิเดียที่เราเรียกว่ า, านะเขาหิมาลัยเลยเขาหิมาลัยไปที่จุดยอดจะพบป่าใหญ่ในป่ายิมธภพ น, นั้นจะเต็มไปด้วยถิ่นสารลาสัตวและก็โยกที่เลยสีที่ใครมีมาก่อ น, นเขาพิจารณาเรียกว่าทีบานาสองถิ่นผลหมากลากมาอยู่ในดงในป่ายุทธภพาามาช้านาะ อันนี้ลาหนุปัดแล้วทาไมมีมรคคิริถ อ, อ, อนเหตุผลประการใดก็เริ่สมสอนด้วยเรือกหวยชุดอกมีเล่าเรื่องเหตุที่มาของมัคคิริถอนอุทส่าห์ูขอพรจากขวัยปสัสสื้อขึน้นมาทำบุพพ์ถวายจุระแก่นจันทรกินราคาไม่เท่าไรแต่มีค่าสําหลักประเพมีสมาสตประจักถวายจุระแก่นจันทร์หือว่าเป็นเครื่องหอมเนี่ย ย้อนพาเป็นระเพลีขององค์พระม้ากษัตริย์สมัยโน้แต่พวายกพระวิปัสสีต้องมาเึ็นพระกขอที่ฐานเป็นพุทธามารดาแต่แล้วพระวิปัสสีเป็นพระหันกรสัมมาแห่งมุติจาสมัยโ้ก็เลยญาณก็ให้พริปัดสถีวาปิติสังปฏิสังกรมนั่งจิองเมวจะมิจะตุให้พริบปัด ไม่พอย cả, á, hay, trên, trên ืดยาวเหมือนกระสงสันนี้เป็นการแต่งเติมเพิ na, ่มเติมดีตามวาลักษณะมันสมควรดูกระเน้องหญิงเธอกระตือรือร้ใดไม่หยุดใจขอให้เธอสม็จตามเป้าหมายนั้นก็ขอให้เป็นเป็นพุทธมารดาเนี่ยนะพุทธละดีก็ดีใจดีใจก็ทําหน้าของบุญต่อบุญบาต่อบาป ทำให้ปุษดีนี่ได้รับพรวิบัติสีเป็นอาเคมาเยสีมุสจักรินเทวุลักษ์เป็นเมียไตรินคู่กันอย่างนั้นเป็นหมื่นปีอยู่ที่เทวสถานวิ่มนันแย่ๆนั้นก็หมดพรของวิบัติสีเป็นฆ่าเป็นแค่เทหาขอมาเยสีกับกรินเทวุลักษ์ด้วยหัวปุษดี แต่แล้วเวลาการทบทวนผ่านมาหมดพรผู้ปฏิสีห์พระอินจักอริเจวัลัรู้ความประสงค์ของบุตรสิว่าขอพรจากผู้ปฏิสีมาเพื่อตลองท า, านเป็นพุทธธรรมดาแล้วกายจะจุตติหมดบุญวาสนาที่สูงสวรรค์แล้วก็จะนองจุตตรยกมนุษย์และอินทร์จึงรู้ความประสงค์ของอักเนธทำไมเอซี่นี่เพิงได้เปล่งอุทานวาจาบอกอุตริวัตเธอ หมดบุลวัสนาอยู่ในเสีงสุพรแล้วเธอต้องการขอพร อ, อย่างไรที่วาสนาเรียกขอพรในปันจุบันเหลืออีิจฉาองเดียวจะหมดบุญวัสนาดูนี่ผู้ชดีก็นึกว่าขอพรสิประการเรียกว่าการโคตรทอเบื่องต้นแตมาจะขอกล่าวว่าพงเดียวคือขอมีลูกชาโฉผาในบุญวัสนาในโลกนุชเพื่ออภิฐานที่สุดซึ่งเป็นผู้ธรรมดา อันนี้ขอพูดกับอเดียบเลยก็บุตรีก็มาตุติเพราะการสร้างบารมีไม่ดีเข้ากับโลกมนุษย์โลกมนุษย์ในลกอิฉาลิขิต า, ราสร้างบารมีได้ดีกว่าโลกอื่นเดือยวบนสวงสวรรค์ก็ได้ความมาตุติเป็นบุตรีเป็นตลาดแบบเป็นเ อ, อ็กเลกเมสีมืเจัาเป็นเศษใสตามคำขอแล้วพอพระอินก็เลี้ยงยานต่อไปว่าขอ พรจิษย์การยังไม่ครบก็ต้องมีบทมีบุญวาสนาบารมีแล้วพระเองก็รู้ว่าจะต้องเชิญพระพธทธสั์ลงสู่ครันของบุษรีต่อไปเพื่ออธิษฐานจิตของพุธธ้ธมาดาในนากพถึงได้ไปรัชนาพระพุทธสัจครันบุษรธธีต่อไปแลวเกิดเป็นผู้เหตุฉดออย่าลืมว่าผู้ยิ่งใหญ่จะไม่เกิดในกาพิว ในเกิดในตลาดหอค้าเตรียเรียกเวทขัน ด, ดอกรัล้วรวกรวมแล้ลวแต่เพีความพอเวทนันดอเกิดขึ้นแล้วก็สะดวกมาถานเตรียมการที่จะไปบำเพ็ญทานบา ร, รมีต่อที่ป่าลิมพาในใช้อินเึงได้พิจกรณาต่อไปว่าอ๋อเวทขันอนนี้จะไปบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อเป็นเพอพระพิจิตจ่าอยู่ที่ป่าลิมพาสแน่นอน เติมได้ไทรเนงมิตรบันดาลลาร้อมด้วยวัมมัตรีและปัญหาชาลีแต่สดร้อมกับปัดโบกครณีครกแล้วก็มาถือโอกาสว่าถ้าหากว่ามัตรีจะอยู่ในอรัญญาลาวป่าที่เมรา น, นีกระโดนพวกเ ล, ล, กล ส, สีสกปรกลาโม่ทำร้าเต็มไปด้วยกวามคุณงันหาาจะปลุกข้ามนาจารนแนม่ปรีอย่างเด็ดา เรสียการบารมีของพระเวิดอดร้องยังไม่ได้การบารมีครอบโดยพระรจชาทานุ่งมาถึงสาลาศัสดุลาอโยคีกระทศกัณฐามกในป่าหิมะผานเพราะฉะนั้นพระอินทร์จึงเมามิตรก่อนมรดิผลที่หกก็อยู่ที่ป่าเขาฝ่ายเขาปอดที่ป่าหิมะผานนั้นเพื่อท้องการจามุ่นห้าเวลาพระมัตตีจะออกไปป่าในเจ็ลาี เราไปเก็บผลมากลากไม้นั้นเอามาให้พระสงฆามีเป็นการกระทำคนจุนเพื่อต่อการเป็นพปที่จักต้องมีสองคนช่วยกัรวางสามีภรรยาคู่คิดจัดเป็นชายก็จริงหญิงก็แท้สมุแก่ที่น้าบิดามีคู่เดียวคือพิจักรไม่เหมือนคู่คนอื่นเขาเลยก็พระยิ้งก็สั่งวาพิเภกไปนีลามิตรบันทัศแล้วก็นีลมิตรสนมรีผลขึ้นมา เป็นคำาสาบของปีนไม่จะทนไม่จะจกได้ธรรมชาติเลยก้นมัคค ร, รีผลเรีย่ยวานานาลีผลที่ถูกตามสาบนี้เรียกว่ามัคมันคามละลพะละละอได้ลงผลมัคคารีพลแปลว่าผล น, นี้มาจากมัคมันคาเป็นามมาการมักึงท้งห้าเลยก็จาบไว้ว่าออกดอกภายในเจ็วันสามวัน มานเต็มที่มีไปคำเดือนถึงเจ็ดวันล้นทั้หมดเพราะเพราะเวลาโอกาสเวลาที่มาัสับกจะป่าคงในลอติสคือใครมันจะเห็นมตสยิมันจะผูกตั้งมาจารเสกเชียร์ตามแนวบริษัทที่จะมองมาเพลอย่างนี้ขอฝากคุณหนูเป็นข้าราชการด้วยเลยก็มักลีผลก็เริ่มออกดอกไม่ตามตามเวลาเหมือนงมัวเหมือนก็โน่นตามตามเวลาที่ แม่มัติจะออกปากอ่าคุณผู้มากรัออกไม่หมดแล้ว่ผลัะนี้ผลออกดอกทันทีไอ้คนชาวนวิชาพรก็ออกมาเห็นผมว่าออกดอกมานี่จะเป๊ะมันก็บางมันไม่เต็มใหญ่เท่ากับคนอายุที่6ปีเรียวต่อขอกลอเหมือนต้นกลตเป็นหญิงทั้งหมดแล้วมีขั้วอีูสองขั้วแล้วก็ติดเมื่อเวลาที่8มิถนายนจะบุกเหมือนดอกบวกัว ตอน6โมงเช้าสะบานออกมาร้องรำทําเพลงได้พรนทานวิชาทอนก็มาเกตต์คำว่าไอเลอร์ซื้อคีลายที่มันเป็นเด็กทานจะมาบักก็มาหน้าฝนก็พอมันหอมอบอวนทุกวนในป่าที่มาทานในการกินหน้านี้เลยก็มาเก็บ์ไปคําว่าเพารเาะรีฝนนี่ลดแล้วคีเดือนให้หลังห้าเดือนคีเกียวตัดแต่พรุน ท, ทันวิชาทร์ มาเตะสังวาสมาตรีพรา ว, วิสัมยีภาคสี่เดือนตลอดจนตะปุ่นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก่อนไมยน้ยังอยู่ด้วยนี้ที่สุดก็อายุสามเดือนสี่เดือนใาหนุ่มันเสกใส่แล้วทีนี้แม่มาตีกลับในชนมาตรีผลก็หมดไอ้เลอศรีชีพลายก็เกิดไปเพิ่งเชยแต่ห้าเดือนให้หลังมาตรีผลมันไม่มีกระดูกมันจะย่องลงไปเดียวลงไปมันดอกไม้ แล้วคอมไม่มีกระดูกถ้ามีกระดูกมันก็ต้องยืนกันไม่สั้นไม่หดไม่เดี่ยวอย่างนี้เวลาหนูฟังแต่หลวงพ่ออ่หาได้วยเกี่อวไหมเพราเราเคยเห็นพวกเขียนเรื่องฝาผนังสารการแล้วไม่ทราบวัดไหนนำมาอย่างไงครับก็บาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชการที่สองนะได้แก้สลักเรื่องมรรคผลวัจิบานหน้าต่างบระตูที่วันไหนสม่จำชี้ยำไม่หยัดครับเคยไปดูมาลืม หลักไว้ชัดเจนมากคนไม้ออกมู้มาปิดตัอย่างนี้เชื่อต่อคอเปร่อแล้วหลวงพ่อนี้ก็เคยฝันใจมาในเด็กแล้วมาตอนเป็นเด็กเจ๊ฟยายพ่อมีกระถางพันจะสามารถตีระสำคราบแล้วเราเชื่อกผูกเราเรื่อยบอกหนูเลยให้ฟังเทศกระถางพันชกครั้งหนึ่งทานจะพาถาจะเกิดทานกับงานที่อ่านอย่งนี้แล้วเราก็ฟังเรื่อยโดยที่ไม่สนใจ แต่ก็เนื้อคาเป็นมิถัยปัจจัยของเราก็ต้องเจอของดีเราจเอเด็กเอาไว้สงเกียรอยู่ชาติผสมนึงเวลาหนุ่ปังมันฟังใจหลักพอดียายก็ล่ะให้หลวงพ่อปังเวลานวดมันดูชาติผสมสี่บอกหลานเนยตอนยายเป็นเข้าสาวไปส่งกินโตหลวงพ่อชางวัดตึกหลงปัททรองผักมาบุญาชุมบุรีนี้หลวงพ่อช้ามมีเป็นกจ้าวาวัดตึกราช การเดินท 6, บอกทานข้าเวลาเดียวแล้วการสาเร็จภาจะมาบัตดแล้วยายนี่ก็ไปส่งเปโตตอนเป็นสาวใช่ไมก่อนโบราณมาไปส่งเป็นโตที่ทวัดตึกทานขานเวลาสี่งเ้าวเวลาเดยวหลวงพ่อช้านี้ตอนนั้นแทบเป็นอยากชนสงรอสอ ง, อสองแล้วเย็ดไหมกล่าวใครเป็นผู้ทานจเจ้าวัดและจากวัดไปสูกก่ภาษาก็ไม่ขาเป็นผานกลับมาเป็นผู้ทานในสมเด็จ เดี๋ยวนี้ประชาชนอ่ามันจะสะสมออกมายปรมาณร้อยห้าสะสมทางวัดไหนทิ้งวัดหนึ่งเดือนขาดทางอื่นๆได้ไม่เหมือนสมัยหรอสอนลิงเด็ดเวลาจะนิ่งตามด้วยโดยพอดีหลวงพ่อช้างเด็กตามธรรมบัตรตาก็มาอยู่ที่งานยายเนี่ยก็ทำตามยายทวดเดีวมาจ่ไปตัวให้ท่านทันเวลาเดียวทานสะสมกัหมดเลยขาวหวานรวมกันมาเดียวกัน โยมาในวันหนึ่งยายเล่า ว, ว่าไอ้แค่นี้มันหอกมาจากปไอโยกีจากอา่างเนื้อผานี่ยายเล่าก็มันอมตลอดมาไอโยกีนคนหนึ่งเขาเด็กชายสมาบัตแล้วก็ห่อมาเปดิดทะเลาะคเลยไอโยกีนคนนี้ตลอดตกเลยตกพาทั่วตึกขาแค่งหักหมือพ่อช้างเลยสางหายแล้วยายเ ล, ล่าว่าเวลาไปสมเป็นโตนะถามหลวงพ่ อ, อช้างบอกไอบอก แคร่ทีดมาจะไหนหลวงพ่อช้างก็เล่าให้ายฟังว่าไครนีมันมาจากเป็นโยกทีมาจากป่ายุมาพานมันหอะมามานก ล, ลงตรงนี้เลยหลวงพ่ อ, อรกษ า, า, า, า, ายหายพอไปรูสิหลวงพ่อมาจนขาแค่หายสิแกแล้วก็อออยูอ่อหลวงพ่อว่าพอหลวงพ่อชางพูดใจยยแล้วภาษาเราหาึนบนพได้อกหลวงพ่อไปส่งผมทีว่าผมอยู่ป่ายุมาพานมันจโยกทีเน จะไปส่งเธอยังไงให้เราไปอย่าคนเดียวเพราะรองพ่อเขาจะบอกตำราประหลอดให้แต่รอพ่อต้องใช้ชานเสกตําประหลอดเลยพอดียายต่างมาเนี่ยไปส่งไปจแล้วหนูเธอไปซื้อตารายาไปซื้อประหลอดซื้อยาซักซื้งเงนยายายเชิญญาตําราปรหลอดไว้เวลาหน้่มฟาเขาเรียกบันมูบันโมูตลาดมอนถึงบุรี ก็ไปชื่อประหลอดมาแล้วพอลาวะล่ะงั้นก็ช่างแต่ก็เกี่ยวประหลอดพอมันเต็มเข้าไปแล้วก็ ป, ปันก็อนเลยลุกมองเช้านะเชา้ายายก็มาตบกันเลยงั้นก็ช่างไม่อยู่เลยไม่รู้ไปไหนพอเปิดตุ้เทปูก็ไม่มีที่อือยู่ได้ฝั่างชาเนเลยรอจนหมดเวลาถึงนห้าโมงี่ก็ชาขับมาแล้ว ยายก็บอกหลวพ่อไปไหนมาเออไปชงห้แคร์นะไปรงที่ไหนเนี่ยป่าอยู่มา่อพีเอมไปซื้อตาลาไปซื้อพึ่งยามันไงยะเมื่อวาก็ให้มันอมตลอดเลยยายก็จดไอตาราตลอดเนี้ยแต่ไม่ใช่หมายความว่าหลวงพ่อทำก็หลอกได้ไปป่่มาานนะหรือจะไปคุยนะลามาเพี้ยนไปไงพ่อทำไม่ได้หรอกมีเหล่ายายได้ปะเนี่ก็ แล้วก็ช า, างก็เล่าพีายฟังด้วว่าพาหิมะพานมีโทนมาปิดแต่ไฟเนี่ยนะหมวยไอแฉก ไ, ไอโยคีมันห้ามไใน้ชันยาโยมาลับระโยยะหมดหมดอย่าชันนะแต่ถันมันก็ปรับนะปกติถ้าเน็างันจะมาบาทในเขี่อนได้แล้วมันจะพาไปดูมาอีกไอโยคีมาเรื่องรล่าไปอย่า ง, งนี้่างนี้เกืบรางกายชาวพาก็ขอปิดปาั ในเวลาการต่อมาหลวงพ่อก็มาบวชแต่ที่ยายเล่าเนี่ามายังไว้ชุนเตียอยู่นะยังเด็กอันนี้ยายทา ย, ย, า ย, ายาที่นวายายมามียวามสุกตายแต่ถ้าท้าพัานหรือเรื่องทู้ไว้์ัันดอนแต่ต้องไปคอถอทเมื่อคอยจายายเล่าเลยหมดเพราะนิยมมีมาช่าทิบานถึงปีแล้วเบื่อจริงแต่ก็ขูดขาเราก็สาวให้ฟังให้จบ จะลิไปมากอ้ยข้ามเท่าไรฮะเลยมันก็ฝันใจออกมาเรามาบวชนพระวิิศากนานี่ม่ใการ้ามาบวชด้วยศรัทธาพอไม่ไ้บวชก็บวชตรงเดชเพราะเราเกิดละพอย้ายนี่เนี่ยหนูเอ้ยนี่เราอยู่ท่านท่านอท่านจะขึ้นมาดวงหนึ่งพอสี่ก็็นดวงเดินดวงสิงเนี่ยนายบอกไปโตกเท่าไรก็ผานเนี่ยเราก็ยิ้มไปสบายมาก เจอเพื่อนเจอกินเหรอไปงาหายว่ากินธรรมะเนี่แล้วอันนี้มันต้องเล่านะจะมากไปเล่าว่าพสก็มารอถิงห้าเอาดูพระองค์เจ้าคุณพิชิตไหมผ่านเจตทานพสหรอกเ้ื่อเหนื่ยทำาุ้งยาธรรมะจั์แล้วนายกพุษราสมาคมจังหวัดสิงห์บุรีในเอื้อบุษวงก็มาปรึกษาธรมาว่ามี่ฉนไปไหม ไปไประชมผู้สานแทงแห่งโรกทนประเทศศรีลังกาเขาก็บอกเอาไฟก็ไปแล้วก็ไปแก้ไให้พระอง์เก้าคูนีสมาลซาพระเอาเราเข้าล็อกไปด้วยมีพระผู้ศึกสององคหลวงก็แพ้วที่คุณสององค์เนึนต่อไปด้วยกันแล้วก็ไปประเทศศรีลังกาไปสองร้อยสิบห้าตอนี้กับช่วงจวังหวะที่เจ้าเว่ารัดกรณีได้ฆ่านายกประจมเตย์ศรี 4. ประเทศมีของถือยังกาผู้หญิงเป็นย่างพอผัวตายเมียก็เป็นนายกเป็นมตีแทนผัวต่อไปเราอ่านกฎหมายเขาเขตยนอย่างนั้นยังไม่หมดสมัยนายกเมียเป็นแทนได้พราะประเทศไทยผัวไม่ขายเมียขายไม่ได้ประเทศถือยันต์เมียขายได้เรามีประเทศมีผู้หญิงขอผู้ชายผู้หญิงแต่งงานต้อขอผู้ายประเทศไทยทําไม่ได้ไม่ได้ มาว่าหามงคลญิงขอวิชาดีอาวุธชัยเนี่ยหมายถึงคนดีอาพักหนบุงคนไม่มีมีเมียไม่ได้มีใครมาขอมันก็ดีไปอย่างนึ่งเลยก็ดีก็หล่าหลวกแล้วในการกึิน ม, มาไปไประชุมบุตรสาวแหงโลกเราก็ลืมเรื่องรักปริศนไปแน่ ว, วันหนึ่งก็ไปที่โจที่เขาสีริยะอค้ารอยากจะไปดูสถานที่ว่าใครําไม่มีข่าจับละมากระสัดมาถ า, างไว้ตรงนี้ แล้วข้าพนักเียนตายหมดเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาและสถานีเลยว่าขึ้นไปดูวนอื่นก็ไม่ไปเลยรถก่อพินขาวพั้วไม่สูงเลยหลวงพ่อก็ขึ้นไปกับแม่เนียมเนื่ยสิงสมบัติเป็นเจ้าของโรงเรียนหลักรีที่ดอนเมืองงนแล้วก็ยอร์นี้ก็เป็นโยกวนาพอนสมเด็จท้งหลายพรนมหาสังฆมีนายกว่านั่งชมภพสถิตมหาทิมาลาตอนในงามของทศร ใครุมมาแต่ยอมเนื่องีก็เป็นล่าในล่วคูก่กลางตแเกมก็ ข, ขึ้นไปในการสองเซตตอนนั้นนีมีใครขึ้นเลยเขาบอกมันสูงเราก็ขึ้นไปถึงยอดเขาของคนแต่บวกแผสิึงฝ น, นเยอะๆบนยอดเขาสีอีอย่างสูงแล้วก็ไปดูสถานที่ที่ทมันจับแล้วมังกัดถางไว้จุดนี้แต่เขาบอกเลยพอดีอยากมาก็เกิดจําเป็นตัวตัว ยาจะปัสสาวะไม่มีที่สูงไหนดีก็ปวดมากเลยเลยแม่เนี่ยอบอกท่านลงไปทางโน้ น, นไปหลังเข้าล้มไปตามม่ไม่หลบเลยแล้วก็ลงไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาเกิดเสือเขาาเ้าไปในถ้ำเนี่มอหลงก็มายัางไงเลยก็มาถึงในถ้ำเจอพระโค้งหนึ่งสวมผม้าดามหนวดาวยาเอียงตัวถึงนหลักกําลังเข้าฌานสมามัต แล้วเราก็ไปกราบท่านให้เลื่อมตาจะ ว, ว่าหายไปกราบแล้วก็ท่านก็ลืมตาแล้วก็ไม่พูดอะไรส่งภาษาทิ่นโหงนิดหน่อยแล้วชีไปที่ขาผนังท่านในเราก็แนะไปทันทีเนียนึกสำหนิดในใจว่าพระสงฆ์สีเล็บตาเกลเจหอเนาเอาสีกาวที่สวยมาวันนั้ทำเส็จนี้ พอไม่นุ่งเลยชุดวันเกิดสะครับเลียงนึกในใจเท่านั้นการส่งภาษาถึงหอนทันทีบอกดูด้วยทันยายาดูดด้วยตาเนื้อแล้วแงไปทเนี่ยเกิดต้องหอนผิดแล้วก็คลายก็ไปจแดไปกันยังหลับตาต่อไปคลายก็ไปจัดเนผิดปกติไม่เหมือนมือธรรมดาั้ำเกลนิ้วมือเท่ากันสีนิ้วเท่ากัน แต่นิ้วปอนี่เห็นชัดก็ต้องยาวแค่นี้วางมือพี่นื้วปอถึงวข้อนี้ไหมไม่เฉือนนะอยากมีบนไม่ดึงให้ถึงนี่ถึงตรงนี้นิ้วโปเนี่ยถึงตรงนี้เละเชื่อมต่อขอบกล้องเราก็มาสังเกตได้หมอนี่เราหายผิดไปเยอะเข้าใจว่าเชื่อมต่อนี่ยมันเพืจะต่อกัอย่างนี้แต่พอกล้องมีสามกล้องแล้วไม่มีไหายปลา เต็มหมดแล้วคิ้วตอนี้ก็ได้แก่ตาหมู่สี่้าองศาแล้วตาใหญ่คนสวยนี่ตาใหญ่ตาไม่หยีคนตาหยีนี่คือคนสวยตาเห็นชัดแล้วพอตอ 1, 4, 5, อาหมู่สี่้าองศาก็จะโค้งเป็นวงแหวนจันขึ้นมาฮะแล้วผมสีทองงแล้วเราสังเกตหน้าชันทีว่า เราเคยรู้เรื่องนี้จากยายละสมดุลใจจะลองพ่อขชางเล่ายายฝากนะแล้วเราสงสัยเหลือกเกินว่าพระองค์นี้สมเด็จทาจะมาบักแน่แต่ยังไม่ถามท่านยืนพิงสาผนังข้างพุดวันเกิดแล้วหอมที่สุดน้ำอกก็หลังพุดกว่าสามพันรู้ไหมจ๊ะในจมูกก็ถามก็ความหนุ่ยหนอหนิ่ยหนอ แล้วสวยไม่ต้องพูดการเลยเราสังเกตได้กากจากมนุษย์ก็คือที่ไอ้ขวัญเนี่ยมีเหมือนไอ้ไ อ, ไอ้ความกดแล้วก็มีกิ่งขึ้นไปแล้วก็พับเอ็นหลังต า, ตาตาดำสีทองตาเข า, ถาถฟักปากจิ้มเลี้ยงทิ้มชายสวยงามมากแลยเราก็จำเข้าใจแล้วว่าเป็นมัคคิสชนเลยถอยหลังออกมา ไ ล, ล่ล้งางออกมาแล้วก็มาปรึกษาท่านก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงปู่องค์นี้ได้ไหมจ๊ะท่านท่านก็ทรงภระสาทิมนว่าได้จากป่ยุ้มพานเลยเลิกเลิก so ิดถ้ามรงท่านเหน็ดทานถ้าไม่ส่านเห็จทานจะมาบัตดจะไปป่ายิ้มพานได้อย่างกพรื่อไปป่ายิ้มพานได้นั้นไปได้อย่างนี้หนึ่งไปพอเหมาะรอดเขาต้องแคบไปได้ อย่างหนึ่สงสองไปด้วยอนาจดินหรือสองสามไปด้ยอนาจชาตสมาบักหรือตลอดเป็นจะไปได้จะมีฝรั่งคนหนึ่ ง, งขับพถดินา 3, มาตกที่ป่าห่นาแล้วก็สามารถจะไม่ตายเราจะเกยสะางออกจากป่าหุ่อผาไปได้แล้วก็มาบวดในเมืองไทยเดี๋ยนี้ไปอยู่ น, น, นอกงเคยลายา่าสมาฟังตรงนั้นนี่ไปโดยบังเอิญแล้วจามาก็ขสรุปใจความสักกัรว่า ขอให้คําพเจ้าถ้ามีบุญวาสนาขอให้ข้าพเจ้าพบนิมิตห้าไม่มีบุญวาสนาเนี่ยก็แล้วคงไอปฏิฐานติดต่อนะราทีเมษแล้วจะมาก็ถอยหลังออกจากท่ามานเหล็จแล้วก็เบาหายปวดไปหมดแล้วก็ไปชวนแม่เนื่องต่อดูแม่เนื่องก็สะเก็ดกระจายลงมาเห็นด้วยกันนี่เส็นปัญา ย, ยังได้ประกาศคูณทเดชธรราละให้กราบ เวลาลัางจะนั่นมาก็ลงมาก็นักสำยาคำว่าอย่าพูดไมบอกใครต่อไปเพราะพวกนั้นไม่มีบุญไม่ขึ้นเขาถจรี่เราสองคนคนนั้นขึ้นในเนื้อตื่นทุกข์วัดเนื้ตายไปแล้วอันนี้กลับเมืองไทยปลุกเสกวางสามปีค่ะได้เจอในเมืองไทยวัดอยู่จางพุ่งโดยสมบุญดูจางพุ่งทางที่เดินทางไปที่ตะเทียนนู้ดในสมภารองหนึ่งชิ้น๊ก สมถานทิพตุสมาลุกจักท่านดีเพราะตอนที่บวชท่านแรกวท่านจะศึกษาลาเพศไปมีครอบครัวมีลูกมีภรรยก็มาฝากต่อาามาไว้เลี้ยงแล้จะหนุ่มแต่งหนาเสร็จเรียบร้อยเลยท่านก็กลับไปบวชเป็นสมถานที่ตุกดูแบบนั้นในเวล า, าการต่อมาเนยมีกระทาชายคนหนึ่นแงแดงลงผ้ารองแร่ขาดมียางมาว่ากัายมา หรือตาเจอโรคอินวรีย์งเหน่งปากนถึงเวลาที่แปดในาก็ามาถึงวัดนั้แล้วในท้ายกอยู่สี่ห้าคนพระปนแกกคนนี้ก็มากราบในมัชการก็พูดอย่างเปินพ่ายขอพระคุณเจ้าถือเป็นรบผมเป็นผู้เดินทางไกลมาเหนื่อยอ่อนเล็กเกินขอภาพเจ็บหลาที่ืวันนี้อาจะเห็นทั้งควรนะครับขอพึ่งโปรดเพิทานถ้าเจ็บลายีเถอะพาผมมาอยู่ไกลเล็กเกิน ก็พักก่อนราาสมกษณาเลวก็เดินทางต่อไปท้ายยกปะยะทางขมาดทีหลอกลากุกาใหญ่พักอันนี้จไปที่ยาลักนาะผ้ารองแรงตรงนี้ก็ที่ยาดูแลรักของวัดเลยองทานก็ฉลาดเป็นเยอะเกิด่มาตัคนนี้คงเป็นคนส่ขลักจึงให้ทักบอกโยมไม่เป็นไรของหายทําไม่เจ็จะักแลยปูโฉมปูแรงนอนเหม็นตาเหม็นฟ้าเวลาทางต่อมาก็สรุปใจความมาครบเจ็ลาีแล้ว ก็มาลาสมภารสมานก็บอกว่าเดี๋ยวยอมขอเพิ่มเยื่อเืเนี่ยยังไม่ได้คุยถามประวัติเลยอยู่ที่ไหนยังไม่ได้สมามยุยุกัมดุ้ยเร่งไม่ได้ครับท่านผมใเจ็ดลาปีต้องเจ็ดลาปีในเจ็ดลปีแล้วมีวันใหม่วันที่แดนะผมจะพากันด่าเชจะขอก่าบมาสการลาขอขอบพระคุณขอจุนสท่านที่ให้คืนโยมภานในวันนี้ขอจุนปัด นายกพาไปส่งนอกวัดเพราะวัดนั่งอยู่กลางทุ่งอั่นี้ก็มากระไรองเห็นกันถ้ายกเขาก็ไปทำงานวัดที่จะมีงานการพอไปส่งแล้วนองวัดระทาชายตาเท่านีก็กราบมาจัดกันว่าเดี่ยงตะกุที่ครผมจะไม่ยืนตกุนท่านที่มาื้นโผล่สมทางผมจะกราบเรียนว่าท่านรีบทำวัดใหสายสิ่งไอ้ที่รผมมาได้อยู่ที่นี่เนีกราบเรียนในใ แล้วผมก็ไม่มีอะไรมาฝากผมจะยกของขวัญให้ในย่างเมื่วานนี้ยกทลายทั้งหมดจะยกย่างให้ใจหะยกย่างให้ครับพอรัชการลาค่อยๆโยงที่ตายประทำแต่ชักลมผ่านก็เปิดดูแล้วแก้ผ้าขาออกมามีมะเตยผลของกดแล้วก็มีผ้าถาวมีหนังสือบอกประเจตประ ก, กเจ้ารมาจับผ่านนี่ครับเลย ท่านสนทานก็ไปเรียดพายกดีก ว, ว่าไม่เลื่อมสายตรงนี้บอ ก, มกอา ม, มากอททตก่อายอมตะพายกกระทำไปเขาก็หายไปอย่าไรไม่ทราบกอความจนแับนี้ไม่ทราบว่าทำดีได้หรือเปแล้วก็สนทานก็มาเก็บไว้ไม่มีใครสนใจเลยเก็บไม้พอสี่ปีขต่างก็จะมีสองแสนนอนแล้วก็กระตนป่าแล้วทั้กมรเลี้ยตามสัญญาที่เข้าไว้พอมาแล้วผ่าเสร็แล้วลูกคาย คีตมาเปูกตาลงไว้ต so, ้องไปทำศอหลวงข้อเขาทำอบเสร็จเรียบร้อยดีแล้วพาโยกเขาก็มาพูดก็บอกนี้แกเป็นลูกผมพาใช่ไหมบอกใช่อาตุ้บัตไปไม่สนจารุ้ายก็มาเมือถึงอันตรมาได้ก็มาฝากไว้เวลานานถึงสี่ปีตระมาก็เอาละผมรากปนาเข้าไปจจกทีที่ถามไว้แล้วก็ไปจ่าเดอกพบเมืองชยท่ากับเจ้ามีบุญวัฒนาโดยเป็นโยธาหานผมเือกเช่นกัน หรือเคยเป็นที่สบายใจมาเป็นชั้นรอยข้าไปเจ้าเด็กพกมีเงินไยเถิดเท่านี้เองเยลยม่ฝ่าไครจริงจนะครับว่าเคยข ย, ยนยอ่อไปอยื่ย่อลงไปย่อไ ป, อออไ ป, ไปอที่เดี่ยวตอที่ได้มาวันแรกยาใหแล้วก็ไปเดีอยวไปเดี่ไปเหมือนดอกไม้นั้นอมาไม่เคยใครรู้ทค่นี้ว่าจะไม่รู้เลยสีปีไม่เคยใครรู้เลยในสุดก็ไปท่ ที society, our that, out, ่ศึกษาวอชั้นสองในการอาจารย์าถามเรียนนมฆในการควรผโลัพธ์นักศึกษามาวามเือกอยากเรียนมาฟังกันมากมายเขาก็ถามขึ้นมาในที่สุงว่าที่จ้างมีจริงไหมแล้วก็ที่มาจนไปเชื่อแลยถามต่อไปข้อสองเรื่องนอนมีจริงป่าเรือกข้อหกในขกอหกใแล้วก็เล่าเรื่องไปจนนอนเรื่องไปเลยจริงป่านเพื่อผ่านก็บอกมีรายผลเราก็เรียบร้อยเลยเรา เราก็ลืมไปแล้วอาจารศึกษาก็บอกว่าทัลโหีเกงแล้วโลกมันรีทไม่ได้ไหมนี่จพูดเดีวมาายมาทิ้งเลยก็มาดูบรรยาที่วาดเพิ่งจะเปิดเผยขึ้นมาปากเลยเล้ชาวหนึ่งยนทานถือของเข้าไปทุนนะคทัาบุญมาเิดที่วัดถึงดุเื่อัวเองคือติดกระองกระซองแฉกิกององแเอง ชายหลเทศรลูกวัดถิ่บุเร like ืองผมพานชื่อพระครูไปยัดพระครูสีปริยัตมีการเรียนมะลนเยอะวันนี้ธรรมาก็ไปเรายมทานกรสีที่พาพี่ปลาหอยถึ่นตัวละข้อมะลิผลมาด้วยลวกก็มาจากต่างประเทศมาจะได้ดูหน่อยอาวทดองเพราะคนมีบุญคุณจะให้ดูธรรมาก็ใส่ตอนนั้นเดียวไปมากแล้วใส่กล่องมุก ไปยาไปในห้องสมทบสบถามได้ยินคนเนี่ยเราเข้าวันไมแทบเรีไดเหรอนดีเรีเสอะไรยงเดียนไปเองหูฝาดเนี่ยเาบอกไม่มีท่านก็ไม่เชื่อบอกเรมีเพราะมีคนดีบังเอิญเราก็ปรวจท้องอุจระต้องไปถ่ายบอกว่ามีเพียบอกเดินไปได้เราก็จะควายยาไปด้วยบอกไม่ต้องพ่พ่อจังปดีแล้วดี่ใครก็ไปชน เลยเราปัจจโนทํานี้พปิดดูเรียบร้อยเลยเลยมากันใหญ่ก็คุณมาหลายวัดดูกันเลยเลยคนที่มาเนี่ยก็โทรเลยบอกลูกบอกหัวมาดูเสร็จเลยวันนั้นมาต้องตรวจมนทำมาจากคนเกิดก็ต้องตรวจ ด, ด, ดูสักเหลือยี่ปีปฏเที่เลยตัมาเนี่ยกลับดึกเลยอรัและอีกอันหนึ่งคุณนายโสภา มาบูเป็นไเธอวอาจารย์ูก็รบอกว่าลวงพ่อบุญบ้านช้งด้วยางบุรีเนี่ยนะพอไปด้วยนาในแพย์เขาจะขอผ่าทอขอพิจารณาทดลต่อมาก็ไปสมาก็เธอจะบ่งชาไกางบุรีลาบากนี่ยไปส่งเทนไหมครับเนือก็บอกตัวเขาอยากมาเยเหนืก็ปรึกษาแล้วว่านี่ไงถ้าไปครัไม่้างเทนก็ไม่เป็นถามระหว่างทางเด็กก็จ้องเขาโอโ แล้วขึ้นรถจากนี่โมงเท้าเนี่ยไปถึงจังหวัดระ ย, ะยอง2องโมงเท้าแต่ไม่รู้ว่าไปได้ไง น, นะไปถึงบ้านเจ้าพ่อจันดุีเนี่ยสามโมงเสร็ยาจะเาเหการ์นี้ล่าตัวมฟังด้วยจ้ะในท้าก็เลิกอาพ้่องแล้วต้องส่งดูมีอวัยวะครบทุกส่สวนเหมือนคนธรรมดาเอาละขอุติเวลาไห้เพียงนี้ขอความสุขสวัสดีจง ม, มีแกคุณหนุ่ทุกคน ร้องเรียกยาจารย์ทุกท่านกรเรยนด้วยอายุวันน่าสิลาพระละปฏิาาภาณสารสมบัติไม่คิดถึงเงินชั่ ว, วาจานใดสมความประภัสคารูการถูกพิฆามเม้าโอกาสมัดนี้เพลินตลาดหนูฟังที่สนใจนะคนมาถามที่สองนักสัตว์ตอนเดิมเนี่ยพอไม่ลหลอกหลวงสมานบนริจกดอดิต อ ด, ดีตดีกรมป่าไม้เป็นเพื่อนกับหลวงบุเรศเรืองามาที่นี่ก็มาทายก้นี่สุนต้นนี้ทุกครไปแล้วที่ทวดาสอนในทิจุดมณ์บอกอายุพันปีจะลุเปลือกตัวในตามลักนนาาษณะของกรมป่าม้แล้วตอนสถาบันที่ตรงนี้บอกแปดร้อยปีกเราโกงไปแล้วแล้วมารุ้นก่อนก็กรมกระถามไตสจิตนี้พ่อไม่เกินพันปี สี 4, ่ห้าออมหรือออมอย่างนี้นะไปออมอย่างนี้ใหญ่มากแต่ที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่สองพันสี่ร้อยสเก้าหนูคงไม่เกิดมัองเนี่ยเกิอดทีย่างสองพันสี่ร้อยแปดสิก้าแม่เกิอดทีย่างรึเเกิดแล้วสิแม่เกิอ ด, อเกดแล้ ว, แ, แ, ลวแล้วที่นี้วัดนี้มาเป็นป่าหลวงปู่คลายบ้านนี้เขาก็ไม่รู้ไม่มีความเข้าใจเขาบอดวัดที้นีอะไรบ้า พราะมันวัดนี้สมัยอุษย์ยากสมัยส้มเด็ยสนาลายมหาลาภเขาอาจจะสร้างมาก่อนนั้นมีที่ยาจารึกถึงนี้โบสถแล้วที่นี้ก็พรจะลู่ต้นมะขามไปที่นี่ชาวบ้านเขาเลี้ยงลูกไก่ลูกเป็ดเยอะสมัยกตาและทางงานทีเดียวมีเกลียวมีมากมันชอบไปเอาลูกไก่เขามากินแล้วก็มาจากต้นมะขามนี้ ส่กระถ า, านี่อยู่ในปลานี่มีต้อไพลเยอะคือเขาศพนี่อไ เ, เยอะข้ไพลปาไม่ลวกนะไม่จัดส่วนน้ำทำรอก้อนถอยาอรงพงไพรมากเลยกาวบ้านเขาก็ปืนมานีลูกซองเขามายิงเหี่ยงเนี่ยยิงไม่ออกเวลาเบนกระปากกบอกกัที่อืนมันออกมายิงที่ส่วยอดนี่ไม่ออกไม่ได้เขาก็ไม่ลัด เขาก็มาล่แล้วกว็บอกเอ้ยส่วนมระขามมันจะมีอะไรมั้งเอายิงไม่ออกอเขาก็ยิงพยายามยิงอยู่หลายนัดมันก็ไม่ออกลูกระ ด, าด่าอ็เอาลูกายแต่ยิงไม่ออกแล้วก็เบนก็ที่อืมันก็ออกแต่ยิงมีเดี่ยวงอกเดี่ยวที่มาเกี่ยวเอารูปไก่เข้ามาสมัยก่อ น, นเดียว ก, การเยอะเดี๋ยวนี้หมดไปแล้วแต่สารพัดหมุนพลันจะไปไหนไม่กล รอบปกรณี้ในน้ามีปลาในน้ํามีข้าวในน้ำปลาเยอะบัดนี้หลังยี่ข้ากับสวัสดนาในน้ําก็ไม่มีปลาในน้าก็หมดข้าวปลาสร้อยปลาข้าปลาคิวจไม่มีเหลือหนึ่งนะมันเป็นความจริงเขาพูดเี่ยวกับนายแนีเลยหลวงพ่อเข้าไปวิจัยเขาไปถามคนมาถามีกเขาไปเจอฝากมาถามเขามาแกะดูทุกฝากในต้นเดิมเนี่ยมีที่สองเม็ดที่สองหน้ากัดเลย ก็แกงได้ออกมาช่วยชลุกค้างทองลงเสร็มเหนียมแหน่ว่าการจอบตุกเหนื่อยด้วยไม่ได้ประคับทั้งหมดเราจะนึกว่ามีปักเดียวเนาะว่าได้หลายปากมาแต่เหนื่อยจะหมดเรียกว่ามาถามที่สองขักนสัต์แล้วมาให้หลวงสมานบุญธิกมาตอบรมปากไม่หลายคนที่เป็นนักวิชาการก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยแล้วมาเต็นไปยังไงเราก็ขอวิเคราะหวิจัยต่อไป พ่อก็ขอแรงชาตาไปช่วยค่ะไปส่วนน้าต้องดอออกต่วนหอยส้นลายจิงอยู่นั่นเยอก็ไปเจอแท่นประหารชีวิตทั้งมดมีหินหินจะไม้เขียวแบบเล่าแล้วมีหลักอย่างหลักเราเป็นคือคาเป็นที่ประหารชีวิตทั้งหมสมัยเมืองสรปรากรที่ในสมัยก่อนเนี่ยองพระราชาสั่งประหารชีวิตทั้งหมที่ไปฆ่าเข้ามาก็ให้เป็ประหารชีวิต ที่โงงงอดิทขัดเลยก็ตางพี่นี่เนที่รานที่จะตกแล้วอีกชันหนึ่งที่จะพานนะหนูนะหนูอยชาบามาเลือกโพธสมผลจะเป็นทหารชีพํามั่งหรื อ, อยังไงเรไม่ทราบแต่โพธิ์นี่ก็หมดไปแล้วหมดสมัยอาชนประธานเข้ามากินที่วัดไปยี่สิบสอง่ล้ำน้าชนประทานไปหมดนี่ยาวไปหนึ่งยี่สิบสองร่เป็นที่วัด มัดนี่จะตำรกให้เวงคืในให้สมนทานไยเวลาหนูฟังแต่ต้นจะรู้ว่ามาข้ามไปอยู่ที่ไหนพ่อรู้แล้วยตรงนี้ไป่ที่กระหานน้าพ่อก่อนจับระหานเขาก็าบวงสวงหมอเทศเรียเจ้าพิวดาที่นี่แล้วก็มีเพชฌ่าตสองคนหลังทางหน้าเวลาฟันจริงๆคือคนหลังไม่่คนหน้าเราสงเกตดูนะ คนสองคนก็ลำนี้ปีนกับประหารชีวิตของฟังเทสฟังเทสเจ็ตยาขอให้นักโพทษถุกประหารรับอาหารข้าวหวานนะสุนาร์บางบางนักโพกษใจแข็งรับได้ยินบางนักโพษก็ไปล้มเรื่อยภายฟังค่าเทศไม่ได้ตัวเองก็ต้องถุกประหารชีวิตตายในหนึ่งเชือดนี้เลยก็ประหารเราก็รู้แล้วเวลาไอ้ประเทศจะฆ่าลำเนี่ยมันจะไม่ฝว่ำ มันจะล้าสวยลอ่อโนนล่อหนคไปแต่ก่อนที่จะทาเนี่ยเขาว่ากันว่าผ้าปิดตากเอาดินอุดหูคปูคาพอดีเลยเราไปหน้ามีแฉกหุบติดแนะ่นดวงจ้าดินอุดหูหรือยังไงเราไม่ทราบนะเนีมันเป็เวลาหลายร้อยสี่แยบบ่แย่คนหน้าล้าเสร็จแนี่ก็จะปัดแต่แล้วไอ้คนหลังที่อยู่ในฉากหลังเนี่ยเป็นปิดชับขาดเลย ขาดแล้วก็ขากลงหลุมเราก็เลือกดูขอแลงรับพวดที่หลุมนี้ปวดได้ดสิบระงสบแต่มันเกิดขาดจะมากพะนาาทั้งระโลกทั้งประดูกเลยหลวงพ่อพ้าถือโอกาสมองเ็นงบทสอนอิทธิให้เผาหมวนพระสงองค์เจ้ามาติดกาบางสุกุที่นั้นเสร็จแล้วก็เผาชวนคนแกคนเข้ามาไม่กี่คนเพื่อปิดความไว้ แล้วก็เอาแผ่นหญิงมาเก็บไว้ถึงนั้นเป็นป่ามาป่านี้มูลลักไปหมดเลยเป็นหญิงเคี้ยวเลยแล้วก็มองเพ็นดูศูนุกที่แต่กระโดงวาณนี้เลดยดวงวิญญาณก็าพากันไปโคนกะถามก็อนนี้ตายไปไกเดียวและแห้งห า, ายไปเหลือแต่ต้นนี้คือต้นลูกที่มันขึ้นอยู่ถึงนะแต่ต้นเดิมน่ะมันอยู่หาา่างกันประมาณสามวา แต่ต้นเดิมตายไปแล้วเลยต้นนี้ก็กลายไปบ้างมีเม็ดออกมาเกิน12มากไม่ถึงบ้างแ้วยังเป็นตุกตาตุกตุนอยู่ทุกเมตรมีหลาประวัติเหตุการณ์มาเราก็มาวิเคราะห์ว่าเขาจับหารชีวิตเขาต้องบวงสวงสยู่กระดับบวงสวงก่อนมีเครื่องเวรืองเวรหัว่าหมูใบสีมีอะไรขับข้าพายามตามประเพณีถึงจะฆ่า เลยทําให้ดวงวิญญาณถึงจะติดอยู่นักโทษมาถามนี่ลายไปมาถามกายจิตเที่ยวว่าทิศของนักสักเรียนไหว้กายเกิดอยู่ในวัดประศาลตรงนี้เองขอฝากแวดเป็นระดับต้นในเวลาการต่อมาคนมาท า, า, า, า, า, านก็เลิกมายึดทําครองคนระทานผ่านมาหลังจากนั้นเลยก็พวกคนมาทานก็เราก็ขอแยงโคตรตา อย่ารอเก็บเม็ดมะขามก็บอกเอ้ยแปลกมากแข้งคอเ อ, อ, เอ็อมเพาะเ้าไปเลกเม็ดมะขามอยู่ต้งการเขาก็าไปให้ลูกเ้าไปแขวนคอไปแขวนโน่นแขวนนี่พอดีลูกเ้าของในข้างทดนมะารถดแท็ก เ, เตอร์ลดอะไรก็ว่าไปตกจากชั้นสองมาลูกสามขวบสี่ขวบไม่ได้เขาก็ถือว่ามะขามายไป แต่หลวงพ่อก็ไปหมายความว่าจะไปบอกเลาวมาถามไปอีกเราไม่เคยบอกใครเพราเราไม่รู้ไม่ิีแบบไหนคือทการใดโดยส่คนมาถามนี่มันก็เป็นอย่างนั้นมาส่วนนี้ก็หลายร้อยปีแล้วส่วนเดิม้ายขอฝากหนูไหวเป็นพัฒนคติสายข้อหนึ่งในสมัยก่อนหานมาแล้วใค่อาจารยูรู้ายมากใครจะไปเอาไม้แดงไม่ได้แล้วสักงหน้าอาจารย์ ท, ทําปทัวใครไปตักใครลูกลก็ระเบิดเลย ดุลาวิญญาณตะกข้ากำลังลบไปสงครามในการหมดเกี่ยวรวงสพันเรืองเปต้นทายสงคราดุไปเอาทุลกากลาอยู่ที่นั้นท้ายจึงเอาของเอาอีกให้ทางการมาไม่ได้อีกลาดอกจันก็ลาในเวลาการต่อมานะกท้ายอย่างสนุกขัดมีการสร้างวัดโบกาวตดเรียกว่าัดไทยทางการอีกนั้นพบาทสงเด็จเจ้าหัวทรงเสด็จ ต้องสืโลกมาถวายบำเพงพระฤทุก้อนมีลคนให้สำจัดสล้สางโบสถ์ขึ้นมาโดยสารทลาก็ตรงทิ์แล้วทิพาาย์สมุทสอนในการหยาดเลยวิญญาณทั้งหลายที่จิตแย่ก็หายไปความอยู่ร้ายก็ไม่มีแม่ตาปราณีต่อกันเลยไม่เบียยเหมือนแต่ก่อนมาอันนี้เป็นความสริงที่ผ่านพราบากขอวัวเวอเป็นโคพ ทีไปถวายวพระุทธรูปเราที่สวดพระห้ทุลกายคนที่ตายกำลังดุร้ายดุมากตายันหน้าผู้ก็งดุร้ายหวงห็งแหนมากเหมือนอย่างรถขับไปคนกลางถนงนตายแล้วกาลังขี้แทนเอาโมโหจะต้องเต่าถนนก่อนอดุนี่ยพอชนชนรถชนตายป้าไปสวรรค์ก็ไม่ีเหมือนในโลกมาระงานตัวถึงนี้พอด เราชเช้าเนี่ยเรายาวเยอะหนูพอมาได้นอนใจเราเช้าหนูฟเรื่อ ง, งวิญญาณเป็นได้บางคนอยู่ผัวเมียเนียทะเลาะกันแล้วเพลองกันดูป่าพานคือแบบไอ้ผัวนี่เกลียดแค่กนมากแล้วก็เมียก็ทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันไปด้วยผัวขับรถไปด้ว ย, วยเลยไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่ทราบไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่ทราบทรังคนสองคนผัวเมียเคยมาจังหวัดนี้ แต่ปากความขี้แยแขงกับภรรยาภรรยาก็าขีแยแข่งสามีในการชู้สาวเลยก็บอกเล่าสองคนับทําตุ่มอะไรเนี่ยสองคนเนี้ยตายด้วยคันตายด้อคันทลาะกันมาซึ่งเดพรถติดรอเลยตายจะพูดเลยดุร้ายมากเลยทถนนเนี่ยตายเยอะมากโผล่สรหาพวกผู้หญิงตายโผรเรื่องชู้สาวก็ต้องไปถีิบ นิจเป็นยังไงเราเข้าไปเห็นมันก็ตาในสมัยเดินทุดงกับมันก็ดามในป่ามันจะกินมากเทีแย่แทนกินเลือดที่ขาดเวลาที่แปดทเกามันจะปูดขึ้นมาจากปีกบเข้ามามากินเลือดกิา่ายนะที่ว่าวังไว้สิบปีสิบห้าปีนะไม่เน่ามันจะมีขนยาวขึ้นมาเล็บงอกหลัก ไอ้ที่เขาว่าตายไปแล้วไม่เนงาเนี่ยไม่พวกนี้ถังน้าพวกผีเด็บมันจะวิเศษวิโสอะไรหรอกผมยาวมาเลยถ้าหากว่าฝังไปนานเนียฝังไวนน้ในดวงในป่าเนี่ยมันเวลาชานานไม่มีใครไปเผาไอ้ขนมันก็ยาวตูนานตาอย่างนี้ตายดิ้บเลียดแค็งสามีนี่ยเรื่องผู้ส า, า, าวหน้าตาเป็นผีเด็บพอขนยาวมาได้กําหนดแล้วมันจะออกมาที่สามีตาอ๋อไปกินเลือกที่ถ่าย ยอดซีมากจะไปกินเผือกไปกินในปลาแปลงเป็นเมียมาพี่ลงมาฮะมีกาลังนั่งเหลืออยู่บนนู้นพี่ลงมาแม่เจ๊งนะในพลานใหม่ไม่เจอพลานเก่าเพราะนู้ว่าเมียมาตามแต่ในทานหาความสุขย่ใจไหมว่าจากแต่บ้านของตัวเองเดินมาในดงใช้เวลาถึงต้องห้าวติดอยู่ไม่ทาไมเดินาอย่างไงถือไฟมาเดิพี่ลงมะ ไปนี่คือไรถ้าในทานเก่าเขาจะยิงเลยนะยิงที่ไฟซื้อเสือหัวเสือเลยขอฝากไปเลยแล้วส่วนมากพวกนักเรียนนักมีอะไรผิดเพรีย ด, ยดยถามปัญหาตมาบอกกพ่อครับผมกลาบจากิอีริยาญใหม่ไปเนี่ยมาบ้านไม่ให้หนงประทุนที่บอกคนเป็นคนตายบัน้ตาพวกผีาาขขมากินข้ออย่างนี้เวลาถึงที่แปดในกางมันจะขึ้นกลุ้มมาเลย มันจะถือไฟมาเลยนะครับว่ามีช้างจะงอเนื้อในป่ามันจะปลอมแปลงก็เสือมาบางเสือมาเลยเป็นเนื้อมันบอกว่าพี่ไปเรอะแม่ป่วยหนักลงมาเสือกินเลยแล้วผีเด็กนี่มันก็ดูดเลือดกินอย่างนี้แล้ววิธีแก้ทําานหนุ่ไม่จาต้องกล่าวว่าเอาพระมารทั้งหมดวิธีแก้ผีเด็กขุดขึ้นมาเทาเพี้ยหมดเพี้ยง ต้องมีแค่ายแต่นี่มีอันหนึ่งที่เราต้องวิจัยได้ผีเด็กจะไม่มีอยู่ในเมือเพราะว่าลอยวันเผาหมดมีใครเกร็บบางทีพวกคนจีนมาลื้อป่าชาลือเผาหมดเอา้าโคตรกล่าวเ้าแล้วรีนี้กุตเจอไปเจอจบผู้หญิงค่ะไม่เน่าเลยนะเลยคนไทยเข้าใจิคิดว่าเป็นเจ้าแม่เลยมาไห ว, ว้ตามทางเจ้าไหว้กราบคัน ขอหวยนัแหละผิดกจสุดทักโง่ไอ่ฟังเขด้วยอันนี้จะขอล่าเป็นสาระนะเรายาวไม่ได้หนูเวลใช้เวลามากเล่านู้ฟังนะคนตายเนี่ยนี่คิดแค่เรืองหน้าโปรซ่บางคนไอ้เทืองหัวเทืองหัวแล้วกินยาตายนะดุร้ายมากดุร้ายมากหัวจะไปมีเมียใหม่่ก็จะได้ออกไปสิงต้องไปอะไรเนี hole, ่ยนี่กินยาณทุรกะ ลูงปลาขอฝากลุงหนูไว้ด้วยหนูไม่จะไปกลัวผีเผือเลยล่ะเผื่อไม่ใครกลัวผีแล้วเนี่ยอ๋ออย่าไปกลัวคำนวณนะอย่าไปกลัวผีเผือกบินใจทํามีอแล้วเดี๋ยวลูก นี้ผลเดี๋ยวนี้หนูไม่ง่วง้วเนี่ยแล้วกันฟังก็ได้จะไล่ฟังเาเจอกันแล้วมานอกสิกว่าปีแล้วอมจาไปตัวผีเถอและทีใ่เกนรั้มันไม่มีตาโบ ไอ้ีตาโบไอ้ผีโทรทัศน์ถ้าผีจะแครมันก็ออกมาอย่างหนูนี่ไงมันจะไปกลัวว่าผีเผิอะไรที่ีลูกคาถาอัานผีมาตรองใจคาถามีสติก็มาชัญญะผีไม่ออกบาทีเราเดินไปนี่นะไอ้แมวมาขับหนูมาแล้วเราก็วิ่งีโวถีโวตายใช่ไหมตาย เิดตกเลยบีซ่าตายเนี่ยอยู่ตรงที่หน้าโบสถ์นี่มีตนมะขามอีต้นหนึ <ochond vi> AH no. ่ง <Uber> ผ <releasing> ีหลอกคนตายมาขาดคนห้าคนพอเดินผ่านต้นมะขามคนมะขามมันก็วันไวอืออเออเออเเเเเอ เนาะฟังกเตฟังเกฟงเกัฟงฟังก่อนอย่าเพิ่มไปวิจัยตอนนั้นหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆนีต้นมะขามนี่หน้าบสถ์่จะบสแล้วนี้แล้วหลวงพ่อ อ, อ่นะนะสมาธิในโบสถ์เมรดสาวบ้านเหนือเนี่ยเด็จักรยานมาจะไปซื้อกับข้าวบาันไดถุงเป็นปลาปลาดวงคงทึกมากปายกคาแผ่ แค่พอน่ากลัวมากคนมะขามนี่ก็อายุมากมาก่เสียงคล้งเพลงรุกเรมนเนี่ ย, ย, ย, ยอะไรกันเนี่ยเย็นประมาณที่แปดมิตรวิ่งเลยขิ้นรถจั ก, กรยานลุ่มาเช้าตายเลยตายนะตายนีสีหลอกตายเป็นคนอะไกเนี่ยดีสองคนหนึ่งดีสองน้ำมันก็ ค, คนประมาณก็มีบุตรแล้ว มีลูกแล้วลูกประมาณส5ห้าปีเนี่ยประเ น, บบนื้อเนี่ยถ้าเดินมาเรไปซื้อของมาจ่ายมาถึงโดนมาขามวิ่งเนี่ยวิ่งเลยวิ่งกลับไปเลยบอกอะไรก็วิ่งเนี่ยสีโวยสีโวยวิ่งไปไปป่วยหนักเลยเจ็ดหกเดือนผมหล่นมาเลยหัวหล่นไบเน่ยเนี่ยนี่ผลบแรกอ่ได้ความมากายได้ห้า ผีเจ้าหนาคเลยหลวงพ่อก็อยากจะกลับผีพวงไอ้ตัวหน้ขามตัว น, น, นี้ผีดุร้ายมากเลยก็ชวนลูกศิษย์มุงไปสีห้าคนบอกเอาหม้อมาลูกหนึ่งเตรียมลงหยัดแล้วเรียกผีเข้าหม้อพวงไม่นาจะไปอยากเจ้าที่เราก็ได้ไปผ้าเวลาประมาณที่แปดนาฬิกาหรือรุ่งหนึ่งผีมันคงจะอยู่ไม่ทันไหนแล้วกระจายผ้าเลยเราก็บอยลูกศิษย์ขึ้นก่อนเลยหลวงพ่อ ไม่ใช่ในข้อขึ้นก่อนขึ้นไก่อนนี้ตอนนี้เราก็ออกนโยบายว่าเอยเองเนี่ยถ้าข้าขึ้นก่อนเนี่ยไม่ทันภาวนาเองก็ขึ้นก่อนทอมีถือขัตรียเขมอพอได้จริงแล้วเขวันไหวอยู่เลยขึ้นก่อนนี่ขึ้นไก่อนขึ้นไปก่อนพอขึ้นไปแล้วเอาแล้วลมพัดมาถามวัน ฮือฮือฮือฮือฮอฮอืออือฮือฮือฮือฮอฮอฮอฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือืออฮือฮือฮือืออฮือฮออฮือฮือฮือฮือฮอฮือฮือฮืออือือออออ เอาแล้วนะพวกเราสร้างสติดีหลวงพ่อจะเรียกผีขหมดแล้วเอายันสีเหีหยปิดแล้วเจ้าผีพวงน้ำจะหมดเลือดตาโอ้โหพอไปถึงง่นก็เสียอฮือมาจากตรงนี้เล้วไปพาส่งตาผีตาโตทุ่งภาพใหเหี้เมโลของตัว หรือม hey. well, he he ีลูกอะหรือมีลูกสองตัวพ็จับไดายเลยตุ้หนูทั้งหลายเลยไอ้นกแสบตาโตโตสีกใหย่หัวใหญ่มันเอาหนูมาลูกให้มันลูกมันขึ้นแล้วโผร่มันลึกมันก็ร้องดิ้ือปูพอ่าก็เือไอ้พวกปีกมาชุบๆๆมันก็รองมันก็เสียงไปบนยอดกรถามในฟองไปนี่เพื่ามได้เลย นี่เขาไมคนตายเห็นไหมเนี่ยไอตัวพันนี้มันจะเอาหนูมามาป้อลูกมาแต่เดี๋ยวนีใ น, นนี้เนี่ยหายากมกไปนนี้เรื่องมักร้ายงานไม่ใช่ต้องคุกนะตัวยยญ่ตาโปอยางเนี้ยไม่ใช่ต้องแสบคือบานหนูมีไหมทำไมเน่ทำคนตายมา5้าค น, น เพราะฉะนั้นอย่าลืมสติเข้มาชัญญาตนนี้สำคัญมากเดี๋ยต้องตามสติก่อนสีเพื่หละไรรคนเสียสติแล้วไม่เป็นบ้าก็คงตายเพ่งต้องตสติประทัีไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยมันจับสีได้ดูมาในเวลาตามสมควรก็รอยลูกมัโตเพอลูกมันโตมันดินไปได้แล้วเราก็จัดจาสั่งประหารชีวิตตนประามแล้วก็ แบครึ่งเขาถ่านไปขอเทวดาที่เลยก็ผีจึง้นหายไปนี่ก็เห็นนี้เองเพราฉนั้นหนูจะเดินไปไหนต้องโดนโหมนาฬิกาเสียงอะไรตอกแตรตอกแตรตั้งสติไว้เห็นหนอพรใช่ร่างายตอกแตรกอบใครผีโวยวายใจอย่างนี้ย่าตายตายขาดสติมาต้องนิรธา คนที่ไร้สติขาดสตางเนี่ยเป็นคนถือข้าวเจ้าสิงคนที่ใจอ่อนขาดสติเนี่ยถืข้าวเต็มถืข้าวแฉมเจ้าสิงเยอะคนประเภทใจอ่อนเพราะนั่นคาถาเนี่ยไม่ติดขังแต่ไปบทภาวนาให้ติดมัดติดไม่เลยเละล่วนติดไม่รุ่งรักคาถาเป็นบทภาวนาแต่ไม่สามารถหว่าคาถาเนี่จะแก้ปัญหาได้ แต่ไปการฝึกติดให้มีสติเท่านั <individual S 1> ้นถ้าเรามีสติแค่แล้วก็ไม่จังหวะคาถาเนี่ยขอฝากเขาด้วยหนูทําอะไรสร้างสติไว้อะไรปลอกแผลปลอกแผลเออความยังไม่รู้เรื่องวิ่งเรผีหลอกผีเผยที่ไหนเนหนูกลัวผีไหมเนี่ยยังไม่เคยเห็นผีแล้กลัวเลยไม่กล้ไปตัว กลัวผีใช่ไหมหลวงพ่อบวชใหม่ๆเนี่ยยังไม่กลัวแต่สมัยก่อนเนี่ยฐานเบ็ดจะกูดีมันอยู่ไกลพุทติอยู่ด้วยกายป่าชาหลวงพ่อกลัวที่ไหนเวลาไปช่วงหนสาฝนเย็นไปด้วยอ่าอ่าผมเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายกลัวๆเลยไม่เคยกลัวผีอ่าไปคนเดียวมันหัวหายใช่ไหมล่ะ ไสองคนสบายมีเพื่อนคุยหรือเรกจะไปย่านอะไรก็มันเราไปลาแล้วก็จะไปเองเดียวได้นานนิกันนานิดการกัน่ช่วงอยู่ไปตายชานหวัดโนนงีวันนี้แล้วที่นี่แล้วไมมีการฝังศพนะไปตายเผาไปหมดมีการฝังฝังไว่ทไมเก็บไปสองปีสามปีไว้ทำไกันเผาไปเลย คนเจ็บมากเจ็บมากตีสามศพตีสามศพเลยบ้างเดียร์รอตายกันหมดเนี่ยหาท้าทเรแย่หายเท้าไปเลยร้อยวันเท้าไปเจ็บไปทำไมจ่ะนะหมดเรื่องไปซะ ต, ต้องไปรอมีผลมีละครรอมีเริ่องามศพถ้าตรงนี้ก็ทาได้มาหมดเรื่องหม ด, หมดแล้วหมดห่วงไปไหนๆทุกคนก็ต้องตายเอาค ว, วามมื ตลกเล้วผีเนี่ยห้าใจแขงผีไม่ขาน้พันจงใจอ่อนโตอกโตใจห้ายาต้องตั้งสติหมบรู้นอรู้นออนเช่คนที่ผีเข้าเจ้าสิงบ่อยๆเนี่ยเข้าทรงมันเนี่ยคนใจอ่อนนะแบนี้ใครเนี่ยมีมีองมั้ยเ่ข้าทรงกันน้อง่าวเนี่ยนแล้วก็หนู่อยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้น เคยมาเขาไหมเห น, นือวิทยาตรนี้หวยจะออกมาว่าัวกหลวกกันเคยมาไหมตรงไหนหัวกหลวกเคยไหมยาถึงน้องเคยมาไหมก็ดีมากดีอาจารย์เคยไปไหมนะเคยเห็นเราก็ได้ไหว้นะ ไม่ทานสามัเยเยอเขาไหว้กันทังนั้นเนี่ยนอะไม่ไหว้เพราะมันคือแหมเป็นหัวเจาออกขน่ดรถใครก็ไปเลยแต่ค่าเยอะเราไปสอนผูสศีธรามาบอกว่าสาระทึ่งเราผีเจ้ามันมต้อ ง, งไปเนี่ยไมาถึงพวกลุงขาวมานั่งไหว้วยแค้วหมดผ่านทางน้างมาไหว้เขามากอผ้าห่มก็ดีเลย อาแ้วที่สวยแม่อะไร่อย่าไปพูดใครแล้วก็สักยากันะไปขัด้อก็เลยช่างเขาแค่เ้าสัทยาเนี่ยมันก็ไม่มียือผลสรุปแล้วก็ได้ใจความว่าต้องมีสติอย่างที่สอน